เดือนสิบขึ้นแปดคำตรงกับวันที่สิบสองกันยายนสองพันห้าร้อยสามสิบเจ็ดเป็นวันอุโบสถของคฤหัสถ ต่ปรากฏว่ามารักษาโวตสดกันน้อยหลือเกินเรื่องรักษาโวสดนี่นะมันก็เป็นเรื่องสำคัญไม่ใช่น้อยเพราะมันเป็นการเพิ่มภูณบุญบารมีให้แก่กล้าขึ้นไป ศีลห้า น, นั้นท่านเรียกว่านิจสินศีลอุโภสถนี่เป็นเรียกอัติเลขกศีลคือศีลรักษาเป็นบางครั้งบางคราววันแปดค่ำสิบห้าค่ำเดือนดับเดือนเพนเดือนหนึ่งมีอยู่4ี่วันแต่ว่าคนทุกวนปนี่มักจะอ้างว่า คาราชการไม่มีเวลาที่จะได้เข้าวัดวันพระวันศิลก็ติดราชการเสียมาเนี่ยเอาคู่ไม่ติดราชการก็ว่าลูกลูกไปโรงเรียนหมดลูกไปทํางานหมดไม่มีใครอยู่บ้านหัวถึงวันพระวันศิลมาอ้างโน่อนอ้างนี้ ก็เลยไม่ได้เข้าวัดกันซ้ําเลยอออย่างนี้เนี่ยพระโพธเจ้าทรงแสดงอา น, นิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถสินนี่ไว้มากมายกายกองอืมถ้าจะพูดให้ได้ใจความแล้วก็อา น, นิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถนี่ถ้าหากว่า รักษาให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับไปจะเป็นอุปนิสัยให้ได้บวชได้รเรียนในศาสนาในในชาติต่อต่อไปเพราะว่าอุโวโสถสิล น, นี่มันก็เรียกว่าเป็นการประพฤติพรหมจรรย์นั่นเองประพฤติจากรม พรหมนี่เนีว่าไม่มีผู้หญิงไม่มีผู้ชายพรหมนี่เป็นผู้มีพรหมวิหารสี่เป็นเครื่องอยู่ในใจมีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นเครื่องอยู่ในใจดังนั้นการที่เรามารักษาโอวัสดสินนี่ก็ขอให้ ประพฤติอย่างพรมอย่างว่านั่นแหละให้มีใจเป็นกลางอย่าหลงไหลไปยินดีเยินร้ายกับสิ่งต่างๆในโลกนี้ให้เป็นผู้มีจิตมัธยัติเป็นกลางอยู่ไม่ว่านักบวชไม่ว่าเครืงหัดเลยก็เรียกว่าเป็นผู้ประพฤติพรหมจรรย์ ต่างแต่ยิ่งกว่าการยนอนกว่าการนั้นนั่นเองพระนี่นะว่าประพฤติพรหมจรรย์อย่างเคร่งครัดคืงหัดนั่นยังมียนยานอยู่บ้างเช่นผู้รักษาโวสถสินแล้วอย่างนี้นะก็ยังจับเงินจับทองอะไรต่ออะไรได้อยู่ แต่สำหรับพิกสุสามเนนแล้วรับไม่ได้เลยมีข้อห้ามแต่สำหรับผู้รักษาวโวตสินไม่มีข้อห้ามนั้นน่ะมันยิ่งกว่าการย่อนกว่าการอย่างนี้แหละตองให้เข้าใจความประพฤติปฏิบัตินี่เนะี่ยมันย่อม เป็นขั้นเป็นตอนขึ้นไปโดยลำดับไม่ใช่ว่าพูดพลาดจะถึงขั้นสูงทีเดียวเลยไม่ได้คือว่าต้องค่อยพยายามปฏิบัติเลื่อนขึ้นไปเรื่อยๆทีแรกผู้มีศรัทธารักษาสินห้าบริสุทธ์แล้วยังศินอวบสถอย่างนี้นะก็พยายามรักษาอวบสถให้ได้ เดือนหนึ่งสี่ครั้งเราไม่ต้องอ้างโน้นอ้างนี่อะไรเลยแหละสำหรับผู้มีศรัทธามีปัญญาย่มหาหนทางบาเพ็ญกุศลเหล่านี้ให้ได้คนขาดปัญญาแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันก็มีแต่อุปสรรคขัดขอ้อง ม, มันเป็นอย่างนั้น อันอุปสรรคเหล่านี้นะบางอย่างมันก็แก้ไขได้มันก็ไม่เหลือวิสัยบางอย่างก็แก้ไขไม่ได้อย่างว่าอัไเนี่ยมันจึงว่ามันสุดแล้วตั้งแต่วาสนานาบุญของคนเราอย่างว่านี่แหละการทำความดีนี่นะมันเป็นอุปริยสัยปัจจัยสืบต่อไป เช่นเราฝึกตนอยู่ในปัจจุบันชาตินี้เราฝึกตนละบาปเห็นโทษของบาปจริงจังแล้วไม่ทําบาปต่อไป <c oughs> เช่นนี้นะแต่ว่ากิเลสส่วนละเอียดส่วนสูงกันไปคนนั้นยังละไม่ได้แต่กิเลสขั้นต่ํานี่เราละได้อย่างนี้เมื่อไปเกิดไปในชาติหน้าต่อไป มันก็ทำให้มีจิตใจฉเฉลียวฉลาดในทางเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษบาปไม่ทำแล้ววันนี้ในชาติต่ อ, ตอไปมันอุปนิสัยที่ได้ฝึกตนไปแต่ชาตินี้นะละบาปมาไปแล้วอย่างนี้นะไปเกิดไปชาติหน้าต่อไปมันก็ระลึกได้เช่นเด็กๆบางคนนะ เห็นสัตว์เล็ก ๆ, ๆน้อยๆอยะไรพวกนี้มันไม่ฆ่าไม่ทำร้ายเลยเพราะว่าเอ็นดูมันแล้วก็ยังเนะนํนนำให้พ่อแม่อย่าไปฆ่าอย่าไปเบียดเบียนมันอีกด้วยนะเด็กบางคนเป็นอย่างนั้นนั้นเราแสดงว่ามันมีอุปนิสัยมาแต่ชาติก่อนชาตก่อนมันก็เคยละเว้นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเจอบางคน เคยมีนิสัยเคยโกรธมาแต่ก่อนเป็นนิสัยติดมาเกิดมาชาตินี่มันก็โกรธอีกอย่างนี้นะอะ น, นทุกคนมาพิจารณาดูนิสัยใ จ, ใจของตัวเองถ้าเห็นว่ามันยังโกรธยองนี่ก็พยายามภาวนาสอนจิตใจนี่ให้มันละความโกรธอันนั้นไปเรื่อยๆอย่าไปเลี้ยงมันไว้เลย คนเราเนะ่ะเมื่อไปค้นดูจริงๆอะ่ะอาจจะไม่พบบันเวลามีเหตุมากระทบเขาพี่มันแสดงความโกรธออกมาจึงรู้ตัวอย่างนี้เวลาความโกรธมันหายไปนั้นเหมือนกับมันไม่มีเมื่อเมื่อรู้ว่ามันไม่มีอนยะ่างนั้นแล้วก็นอนใจกันไม่คิดไม่คน้นไม่พิจารณาด้วยปัญญาอย่างนี้นะ มันก็เลยไม่เห็นหมูลเหตุแห่งความกโกรธแห่งความโกรธนั้นเมื่อไม่เห็นหมูลเหตุของมาแล้วกัลละมันไม่ได้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดมาแต่เหตุทั้งนั้นเลยละเหตุเรื่องนั้นนั้นแล้วสิ่งนั้นมันก็ดับไปมันเป็นงนั้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสอนให้ ภาวนากันภาวนาฝึกจิตให้สงบระงับเพื่อปัญญาจะได้เกิดขึ้นแล้วจะได้มองเห็นบุญเห็นบาปเห็นคุณเห็นโทษเหล่านี้เมื่อเห็นบาปว่ามันมีโทษอย่างนั้นอย่างนี้นมันก็ละบาปได้มันเห็นด้วยตนเองแล้วนะไม่ฟังมันเบื่อแล้วมันก็ละบาปได ถ้ามองเห็นบุญนี่ว่าเป็นสิ่งควรทำนำมาซึ่งความสุขแก่ผู้กระทำเห็นแจ้งโดยปัญญาอย่างนี้แล้วมันก็ต้องทำบุญในวันนี้นะทำบุญคือทำความดีนั่นเองนะทำความดีด้วยกายด้วยวาจา้ดยใจใจก็คิดดีเมื่อใจคิดดีรู้ดีแล้วมันก็ใช้กายทำดีพูดดีอมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ เพราะฉะนั้นทุกสิ่งอย่างมันออกไปจา ก, กจิตใจในทางนั้นเลยถ้าผู้ใดไม่สนใจในการฝึกขนจิตใจที่พุ่งต้านเลื่อนลอยมัวมองอยู่ให้สงบระงับแล้วมันก็ละ ก, กิเลสต่านี้ไม่ได้ละความชั่วต่างๆไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นฉะนั้น อย่าไปเข้าใจว่าเราเข้ามาอยู่ในวัดในวาแล้วหลายปีดีดักอย่างนี้อ่าแล้วกิเลสเราเนี่ยมันจะเหือดแห้งไปมันจะหมดไปเองมันไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมแม้เข้ามาอยู่ในวัดหลายปีดีดักเมื่อหากก็ไม่ทำความเพียรในเข้มวดจริงๆกิเลสมันก็ไม่แห้งออกไปจากกิจใจมันเป็นอย่างนั้น ทั้งนี้เพราะอะไรนะก็ลองทบทวนดูที่เราท่องเที่ยวมาในสงสารนี่นะเกิดแก่เจ็บตายมามันนับชาติไม่ท้วนนะล้วนตั้งแต่เอากิเลสนี่เป็นพาหานะนำทางมันเป็นอย่างนั้นเอากิเลสนี่แหละเป็นเพื่อน ดนบันดาลให้ทำกรรมดีบ้างทำกรรมชั่วบ้างกรรมดีกรรมชั่วนั้นก็นำดวงกิจนี่ไปเกิดในภพน้อยภพใหญ่เสวยถุกสุขบ้างสวยทุกบ้า ง, างไปตามกำลังของบุญและบาปนั้นนั้นจะพึ่งอำนวยให้นี่นะลองทบทวนดูสิแล้วเรามาเกิดมาในชาติปัจจุบันนี้นะเราพิจารณาดูอ่ะ มันมีความสุขเพียงแค่ไหนมันมีความทุกข์อย่างไรบ้างต้องทบทวนนะของโมนีนะไม่ทบทวนแล้วไม่เห็นไม่รู้หากว่าผู้ใช้ปัญญาไม่ลบเอียงกับกิเลสแล้วกว็ยอมพิจารณาเห็นได้ว่าไอ้ความสุขที่รับนั้นน้อยเดียวความทุกข์นั้นมากมายเหลือเกินอย่างนี้แหละ ดังนั้นท่านผู้มีปัญญาทั้งหลายถ้าจึงเบื่อเบื่อนายต่อความเกิดแก่เจ็บตายเนี่ยมันเป็นทุกข์คือมันทนได้ยากลําบากเราก็ ร, รู้รู้กันอยู่นี่อยู่ไปนานปีนานเดือนไปโรคไขกระเบียดเบี้ยนเข้าร่างกายก็ซุดโทรมลงลุกก็ยากนั่งก็ยากเดินเทินไปมาไหนก็ลําบากอืมฟันก็ โยกก็รอนอ้าวก็ปวดเคี้ยวอาหารก็ไม่ไม่ละเอียดเหมือนแต่ก่อนแล้วอย่างนี้แหละคนร่างกายอันนี้นะ่มันสุดโทมให้เห็นอยู่แต่ว่าคนมันให้ไม่ไม่พิจารณาเท่านั้นแหละมันจึงไม่เบื่อมันผู้ภาวนาทำใจสงบแล้เพ่งพิจารณาดูแล้วมันถึงรู้สึกว่าเบื่อหน่ายอื เมื่อนายยากะให้พน้นเบี้ยเสียจากขันห้าอันนี้อืทำอย่างไรถึงจะพ้นจากขันหน้านี้ไปได้อเนี่ยมันก็พยายามแล้ววันนี้นะก็อย่างที่เคยเทศให้ฟังมาอยู่บ่อยๆ อ, อยู่แล้วเมื่อเอ็ดยึดถือขันห้าว่าเป็นตัวเป็นตนป เ, เป็นเราเป็นเขาอยู่อย่างนี้นะ แล้วก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนั้นแหละอืมทางที่มันจะไม่ทุกข์กิจทุกใจก็เพราะปล่อยวางขันห้านี่ไม่ถือว่าเป็นของเราของเขาอย่งนี้นะมันวิบัติแปรปวนไปอย่างไรก็กําหนดรู้ไปตามความเป็จริงอย่างนั้นอย่าไปเศร้าโศกเสียใจกับมันอย่าไปเบือดร้อนรุ่นลายทางกิตใจ อย่าไปอยากให้มันหายวันหายคืนอย่างโน้นอย่างนี้ไม่ต้องไปอยากอันความอยากแค่นั้นก็เป็นรัญหาเมื่อมันไม่หายตามประสงค์แล้วก็เป็นทุกข์เกิดร้อนอ่มันเป็นงานเรื่องมันนะฉะนั้นเราก็วางจิบเป็นอุเบกขาลงไปอันในขณะเดียวกันก็รักษาเยียวยากันไป อ่ารักษาหายก็ดีไปถ้ารักษาแล้วไม่หายก็แล้วไปเพราะเรามันไม่ใช่ของเราเราบังคับมันไม่ได้อปัญญานั้นสอนจิตเข้าไปอย่างนี้เรื่อยๆไปเมื่อจิตมันรู้เห็นตามเป็นจริงแล้วมันก็โปร่งก็วางเลยไปยึดถือไว้ทําไมอ่ะยึดถือไว้ก็เป็นทุกข์เปล่าๆไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยอแต่ว่าเราก็โปร่งก็วาง ขาน่านี้ว่าอย่างนั้นแต่ก็บารุงรักษามันไปตามธรรมชาติอย่างนั้นไม่ใช่ว่าปล่อยวางแล้วไม่ต้องกินอะไรไม่ต้องรักษาดูแลอะไรปล่อยให้มันสำลุดทุดโทมแตกดับไปเสียเลยอย่างนี้ไม่ใช่ไออย่างนั้นก็ผิดกฎธรรมดาเข้าอีกดังนั้นทางที่ถูกต้องตามกฎธรรมดาก็คือเมื่อรู้ว่า รางกายนี่มันไม่อยู่ในบรค บ, บัญชาของตนแต่ว่าตนก็ได้มาอาศัยมันสร้างบุญบรารมีไม่ใช่ว่ามาอาศัยอยู่เฉยๆก็ทำให้จิตใจดวงนี้นั่นน่ะมีความรู้ความฉลาดในบาป บ, บุญคุณโทษประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ตามคำสอนพุทธเจ้าขึ้นรู้จากขนทางไปสู่พระนิพพานได้ก็เพราะ อาศัยร่างกายอันไม่เที่ยงนี้เองอืมดังนั้นจึงต้องบำรุงมันไว้เพื่อได้อาศัยมันฝึกขนอบรมจิตตรงนี้แหละให้มันสงบระ ง, งับให้มันเฉลียวฉลาดมีปัญญาแหลมคมยิ่งยิ่งขึ้นไปแต่ถ้าไม่ได้อาศัยร่างกายอันนี้แล้วมันก็ไม่มีทางที่จะ เกิดสติปัญญาความรู้แจ้งเห็นจริงอะไรขึ้นมาได้จิตตรงนี้นะคอให้เข้าใจไปอาศัยร่างสัตว์อื่นเช่นสัตว์ดิเรกชันนี่ลองคิดดูสิมันกายหยาบมันรู้อะไรไม่ได้เลยรู้บุญบาปผลโทษอะไรไม่ได้รู้แต่แเฉพาะทําอ่าเสวงหาอาหารมากินรู้แต่การท่องเสบกามคุณเท่านั้นแหละบรรดาสัตว์ดิเรฉานทั้งหลาย ดังนั้นนะจิตดวงนี้นะ่ะจึงว่าเมื่อได้ไปมาอาศัยรูปร่างกายของมนุษย์เราแล้วเพราะเป็นบุญอันสําคัญนะอืมถ้าเราไม่มีบุญก็ไม่ได้มาอาศัยขันทั้งห้าอันนี้นั่นแหละก็ลองทบทวนดูพระพุทธเจ้านะพระองค์จะได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าดวงจิตของพระองค์ก็ได้อาศัยขันทั้งห้าอ น, นี้มาในสงสารนะ่ะ เมื่อพระองค์อาศัยขันห้านี่แหละสร้างบารมีสิบประการมีทานะบารมีเป็นต้นมีอุเบกขาบารมีเป็นที่สุดเกิดมาชาติใดก็มาสร้างบารมีสิบประการนี่แหละให้แก่กล้ า, เ, าเกิดมาแล้วมาเอา้าทำบุญให้ทานไปแล้วก็มารักษาศีลให้บริสุทธิ์ไม่ทำบาป อย่างนี้แล้วก็บางชาติก็ประพฤติพรหมจรรย์ถ้าเป็นกระเรือหัดคลองเรือนก็รักษาสินุโวสถศินห้าเป็นนิจสินสินุนโวสถเป็นอัศเลกกษินบางชาติก็ออกบวชเป็นฤาษีชีภัยอบำเพนเกษินอาจารย์สเร็จฌานโลคีนี่นะ นี่แหละบพระองค์สร้างบารมีนะขอให้เข้าใจอไอ้พวกเราก็พยายามทําตามอย่างของท่านนั่นแหละการที่เราได้เข้ามาอยู่ในวัดในวาได้มารักษาศีลห้ารักษาศีลอุโบสถหัวนีก็เรียกว่าเป็นการประพฤติในขัมมะบารมีหรือว่าประพฤติพรหมจรรย์สําหรับพิกษสุสามเนร อก็ชื่อว่าเป็นผู้ละบำเพ็ญในคัมภีบา ร, รมีข้อนี้การที่เราบําเพ็ญขันติบา ร, รมีปัญญาบา ร, รมีห ม, มูนะี้นะก็ฝึกข้นอบรมจิตให้เกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาถ้าปัญญานี้ถ้าหากว่าไม่ฝึกข้นอบรมแล้วก็ไม่ปัญญาไม่เกิดเลปัญญามันจะเกิดได้ พราะอาศัยการฝึกฝนอบรมมันเป็นอย่างนั้นดังนั้นขอยพากันเข้าใจขันตีความอดทนก็เหมือนกันถ้าเราไม่อดทนก็ความอดทนก็ไม่มีอย่างเช่นว่าใครมาด่ามาว่างี้นะแล้วเราไม่อดทนเราก็ต้องโกรธต้องโกรธตอบเขา ต้องด่าตอบอก็เป็นกรรมเป็นเวรกันไปอลองดูสิบา ร, รมีที่พระพุทธเจ้าสร้างมานะมันเป็นยังไงอ่ะ น, น, นีมันไม่ใช่แต่พระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีเหล่านี้ผู้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าก็ต้องสร้างเหมือนกันนะออต่างแต่ว่าสร้างมากและน้อยกว่ากันเท่านั้นเองนะอ้าววิริยะบา ร, รมีอย่างนี้นะ ถ้าหากว่าไม่ทำความเพียรไม่เพียรละบาปบาเพ็ญบุญอย่างนี้บุญก็ย่อมไม่เกิดขึ้นบาปก็ย่อมไม่ระงับไปจากคิดใจอยนั้นการทำความดีมันต้องมีอุปสรรคมาขัดขวางดังนั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามแก้ไขอุปสรรคนั้นไปด้วยน้ำใจอันเยือกเย็น และบาปอันใดที่ทนุ่มหลงทำมาแต่ก่อนหารู้ตัวแล้วว่าบาปนั้นควรละโดยแท้ก็เพียนพยายามละมันไปอธิษฐานใจละเว้นไปเชื้อสายของบาปก็คือความโกรธดังนั้นเพื่อให้บาปมันหมดไปจากกิจใจก็อย่ากโกรธอดทนเอาะระงับความโกรธให้ได้เช่นนี้แล้ว บาปเก่าที่ทํามาแต่ก่อนมันก็หมดไปแล้วบาปใหม่ก็ไม่ได้สร้างขึ้นมาอีกอย่างนี้นะนั่นแหละความอดทนในผู้เจ้าสัตว่าเป็นตับปะธรรมเป็นเครื่องเผาแผดเผากิเลสบาปธรรมให้หมดไปจากขิตใจอืและความเพียรก็เหมือนกันมีความเพียรเผากิเลสให้เล่าร้อนอืมกิเลสเนี่ยมัน ถ้าเราไม่ทำความเพียรแล้วมันนอนอยู่ในจิตใจเนี่ยเวลามันไม่มีเหตุมากระทบมันก็ยังไม่เกิดขึ้นต่อเมื่อมันมีเหตุกระทบเข้ามานี่มันยึงเกิดขึ้นมาดังนั้นเมื่อเราเพียรพยายามภาวนาทาใจสงบระงับอยู่เพียรใช้ปัญญาสอนจิตเพียรระมัดระวัง เรื่องต่างๆที่กระทบกระทั่งมาทางตาทางหูเป็นตน้นอย่าไปแสดงความเสียใจดีใจกับสิ่งที่กระทบมานั้นแค่นี้นะ่ะเราเพียรระมัดระวังอยู่เนี่ยแล้วไอ้ความโกรธทั้งหลายมันก็ไม่เกิดขึ้นอืแล้วที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนั่นมันก็อ่อนกําลังลงมันก็อ่อนกําลังลงเพราะเราไม่ส่งเสริมมันอ เอาไว้ให้เข้าใจนี่แหละความเพียรเป็นอย่างนี้แหละอา้าวสัจธรรมีมื่อนี้นะคนเราทําอะไรถ้าไม่มีความสัตย์ความจริงอยู่ในใจเช่นนี้แหละทําอะไรก็ไม่สําเร็จแล้วพูดอะไรพูดแล้วไม่ทําตามที่พูดคนก็ไม่เชื่ อ, อ น, นี่เมื่อคนไม่เชื่อไม่ทําตามแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรคําพูดอันนั้นนะเป็นอย่างนั้น บางทีก็ยากมิตรสาหายความพี่น้องกันก็เหินห่างจากกันเพราะว่าความไม่ซื่อสัตย์ต่อกันก็ร่วมสุกรวมทุกกันไปไม่ได้เลยนี่เป็นอย่างนี้เมื่อขาดสัจจะบา ร, รมีแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนมันต้องบําเพ็ญสัจจะบา ร, รมีให้เกิดมีขึ้นในตนต้องพยายา ม, มเมื่อพูดอะไรกับใครสัญญาอะไรกับใครแล้ว นัดกันจะทําอะไรไปพบกันที่ไหนเวลาใดอย่างนี้เราก็ต้องไปตามนั้นออย่าให้เสียความสัตย์ที่นัดกันไว้แต่ถ้าหามามีเหตุขัดข้องจริงสมัยทุกวันนี้มันมีโทรศัพท์ใช้กะติดต่อกันอยู่แล้วก็โทรศัพท์ไปแจ้งให้เขาทราบมีอุปสรรคแแล้วไปไม่ได้อันนั้นไม่ซื่งว่าเสียความสัตย์เพราะมันมีอุปสรรคสาคัญเว้นไม่ได้อืม เมตตาบารมีอันนี้ก็เป็นบารมีอันสำคัญนะถ้าหากว่าบุคคลขาดเมตตาปรารถนาให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขแล้วอย่างนี้ไอความอิจฉาพยาบาทความเบียดเบียนกันมันก็เกิดมีคนเราจะไม่เบียดเบียนกันได้ก็เพราะเมตตากันต่างคนต่างก็ส่งเสริมให้ซึ่งกันและกันเป็นสุขช่วยเหลือเกื้อกูลกันไป ให้อภัยกันไปเวลาอีกฝ่ายหนึ่งพังเผ อ, อพูดไม่ดีทำไม่ดีกระทบกระทั่งตอ่ตอตนตนก็ไม่ถือสาหาความให้อภัยไปตนตนก็เป็นผู้อดทอนอดกั้นไม่โกรธไม่ฉุนเฉียวเนี่คนเรานะถ้าหากว่ามีเมตตา ร, รมกรุณาธรรมต่อกันและกันอยู่เนี่ยมันก็สมัครสมานสามัคีกันอยู่ได้ รู้จักให้อภัยต่อกันและกันอย่างว่าเนี่ยสําคัญเนยข้อนี้นะคนส่วนมากมันไม่ยอมให้อภัยกั น, นเวลาฝ่ายหนึ่งเผลอไปกระทบกระทั่งอีกฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งก็โต้ตอบทันทีไม่ยอมให้อภัยเลยไอ้ผู้ที่กระทบกระทั่งเพื่อนรู้ตัวแล้วก็ไม่ยอมขอโทษเพื่อนยังดื้อดันอยู่นั้นแหละเเนื่องจากมานะทิฐิมันแรงกล้ามันก็ถึงได้เป็นกรรมเวเวรกันไป ถ้าหากว่าผู้ที่ตนนะเน่ะเผลอตัวไปกระทบกระทั่งเพื่อนได้เรื่องทาไม่ดีกิริยาที่ไม่ดีเขาแล้วรู้ตัวแล้วก็โอ้ขอโทษไม่ได้เจตนาบอกหรือว่าเจตนาแต่เผลอไปขอโทษหลายๆอย่างนี้น ะ, ะผู้ที่ถูกกระทบกระทั่งก็ใจอ่อนลงก็เอาโหติกรรมให้กันไปนี่บางคนเนะี่ นึกว่าเสียเกียรติเสียเปรียบถ้าตนไปกระทบกระทั่งผู้อื่นก็แล้วจะไปขอโทษเขาก็ละอายใจบ้างเสียเปรียบบ้างอะไรไปทำองนี่ะหะไอ้อย่างนี้ไม่ถูกต้องเลยบาป ก, กรรมมันก็ไม่หมดสิเพราะการที่ไปเปรียบทำกระทบกระทั่งผู้อื่นไม่ใช่มันไม่เป็นโทษนะเป็นโทษเป็นกรรมเป็นเวรแต่ถ้าขอโทษจะดต่งางอโหสิกรรมไม่แก่กันแล้ว เวนกรรมนั้นมันก็หมดไปอย่างนี้นะ <c oughs> ดังนั้นให้พึ่งพากันฝึกหัดปฏิบัติในข้อนี้กรรมเวรทั้งหลายมันถึงจะหมดไปสิ้นไปอธิฐานะบา ร, รมีไอ้ทาอะไรนะั่นใต้องอธิฐานใจให้มั่นพระพุทธเจ้าสร้างบา ร, รมีมาในสงสาร อธิษฐานในใจว่าเราจะทําอย่างนี้ให้มันสําเร็จอย่างนี้นะอะขอให้งานการอันนี้จงสําเร็จไปด้วยดีอธิษฐานใจถึงบุญบา ร, รมีที่ตนได้กระทําบําเพ็ญมาหากว่ามันเป็นอุปสรรคอสําคัญจริงๆอย่างนี้อย่าไปอธิษฐานถึงเทวดาอินทรยมยมยักษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลกอะไรพวกนี้มันช่วยไม่ได้ดอกเข้าใจผิดกันตัางหากพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแต่คนเราหักมาเชื่อตามศาสนาพราหมณ์แล้วก็เอามาใช้กันอยู่นั่นแหละแม้ตลอดถึงผู้รักผู้ใหญ่เจ้านายอะไรเมื่อไปรักษาไปไปไปแล้วก็สุดท้ายก็อขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลละโลก นี่จงมาโดนบันดาลให้ท่านทั้งหลายประสบความสุขความเจริญปราศจากทุกภัยไข้เจ็บต่างๆอย่างนี้นะมันไม่ถูกต้องเลยเออควรจะอธิษฐานถึงบุญญาบรารมีที่ตนเองทำก็ดีคนอื่นทำก็ดีหรืออธิษฐานถึงคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่ตนเคารพและถือบูชา นี่ด้วยอำนาจแห่งบุญแห่งคุณอันนี้ก็ขอจงท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญปราศ จ, จากภัยพิบัติอันตรายต่างๆอย่างนี้นะเออถ้าให้เอวยใช้พรกันอย่างนี้จะถูกต้อตงตนะามคําสอนของพระเจ้าโดยแท้จริงไม่เป็นงานเรื่องมา น, นะดังนั้นทุกคนขอให้เข้าใจคําว่าอธิฐานะบา ร, รมีนี่นะต้องปฏิบัติให้มันถูกต้อง อือตนทำกุศลคุณงามความดีมาแท้ๆนะแล้วเวลามีอุปสรรคอะไรขัดข้อง ม, มาลืมเลี้ยลืมบุญบารมีลืมความดีลืมคุณบกุศลธรรมประสงค์ไปเลยออย่างนี้แหละไอ้ผู้ที่มั่นอยู่ในคุณพระรั a นาไกลนะมันก็มีตัวอย่างอยู่ในคร้างพรธเจ้ามีตัวอย่างอยู่มีอุปติกาคนหนึ่ง ได้ฟังธรรมอพุะสิเจ้าแล้วก็ได้บรรลุโสดาบันทีนี้อุบัติการนั้นมีปกติอยู่ในใจอย่างหนึ่งมีนิสัยอย่างหนึ่งเมื่อเวลาไอหรือจามหรือเดินไปสะดุดตอไม้หรืออะไรอย่างนี้ก็ว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆทีนี้อุบัติการคนนั้นก็ได้สามี เป็นมิจฉาทิฏิเขานับถือพวกทีเปลยโน่นฝ่ายสามีนั่นเลอวันนี้วันหนึ่งสามีเระบอกภรรยาว่าพรุ่งนี้เราจะเลี้ยงพระนะขอให้เธอจัดแจงตกแต่งอาหารทายทานให้ขอเพียงเหมือนกันแต่ว่าฉันขออย่างหนึ่งว่าเวลานักบวดฉันมานะ่ะเธออย่าไป มนถึงพระสมณโคตรโมนะไม่ได้แล้วถ้าเธอมนุษยโทรออกมาคำหนึ่งเราจะเอาดาบเล่นี้ตัดคอเลยเหมือนนน ะ, อะไอ้ภรรยาก็ไม่ว่าอะไรก็จัดแจงหุงหาอาหารให้เรียบร้อยไปพอดีนักบวชอันนั้นก็ขึ้นมาบนเรือนก่อนนั่งกันเรียบร้อย ไอ้แม่บ้านนี่ก็ยกสำรับไปเดินไปก็บังเอิญไปจามขึ้นมาเพื่อนก็บอกว่าพุทธโทธรรมโมสังโฆขึ้นในที่นั้นอ่าคราวนี้นักปวดเหล่านั้นไม่พอใจเลยก็ลเลยว่าให้ไอ้เจ้าของบ้านนะพ่อบ้านนะไอ้โยมเนี่ยทำไมยังไปเอาผู้หญิงกะลคีนีมาเป็นเมีย อย่างนี้ไม่สมควรเลยบ่างนนั้นนะแล้วก็พากันลุกหนีปลงเรือนไปเลยอะ่ะนักบวชเหล่านั้นบันนี้สามีเนี่ยโกรธภรรยาเต็มที่เหมือนกันเลฮะนี้แต่ไม่สามารถที่จะเอาดาบมาตัดคอภรรยาได้เลยอืมอย่นีนเนยเมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้ เ, อเจ้าสามีก็ไปโน้นเอามือเกยหน้าผาก ที่เจรนาอยู่แม้ความโกรธในมันเป็นพิษเป็นภัยต่อชีวิตจิตใจเอาจริงๆว่ากั้นนะเนี่ยคิดปัญหาได้ป่ะนี่เอ๊ะเอาล่ะเราจะไปถามพระธรรมนาโคดมอะถามปัญหาอันนี้นะว่ากันเพื่อนถ้าเพื่อนรู้จริงเพื่อนก็จะตอบให้ตรงตามความเป็นไปของเราเลยละว่ากันนะถ้ารู้ไม่จริงก็จะตอบไปทางอื่น ถ้าตอบไปทางอื่นแสดงว่าพระสมณะโคดมไม่ได้รู้จริงอะไร <c oughs> ก็เลยเข้าไปวัดตอนนี้เข้าไปก็ไปทูลถามวิชาช่าทั้งที่ยืนอยู่ น, นั่นแหละไม่ได้นั่งอะไรดูก่อนสมณะโคดมบุคคลนั่งอยู่เป็นทุกข์นอนอยู่ก็เป็นทุกข์เดินไปก็เป็นทุกข์เพราะเหตุอะไรของนั้น พระองค์ก็ตอบทันทีเลยนะบุคคลผู้มีความโกรธอยู่ในใจหนาแน่นแล้วนั่งก็เป็นทุกข์นอนก็เป็นทุกข์เดินยืนก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเลยว่ากั้นบุคคลจะไม่เป็นทุกข์เพราะอะไรพระองค์ก็ตัดตอบว่าเพราะละความโกรธเสียได้ถอนรากแหงความโกรธออกเสียแล้วบุคคลนั้นนั่งก็เป็นสุขนอนก็เป็นสุขเดินยืนก็เป็นสุขเลยว่ากั้น วันนี้มันก็ไปถูกกับใจดำตัวเองเนะ่ะวันนี้พระ อ, องค์รู้ใจดำเจ้าของแล้วก็เลยนั่งลงกราบพระ อ, องค์ยอมยอมรับเอาคำสอนของพระ อ, องค์ต่อจากนั้นพระ อ, องค์เจ้ากันเน้นำสั่งสอนไปในที่สุดพรามคนนั้นไม่กลับบ้านซ้าเลยขอบวชกับพระศาสด า, ศาบวชแล้วพอพฤ่งปฏิบัติไปไม่นานก็ได้สำเร็จอรหรัน ไอ้อย่างนี้แหละขึ้นชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องกระทํามันยังเกิดยังมีขึ้นเมื่อกล่าวโดยสรุปใจความแล้วบุญก็ต้องเกิดจากการกระทำํำบาปก็เกิดจากการกระทำอ่าเป็นอย่างนั้นปัญญาก็ย่อมเกิดจากความคิดความนึกความพิจารณาใครควรเหตุผลนั่นนั้นให้แจ่มแจ้งไม่ภาคเพียงพยายามพิจารณา เหตุผลนั้นแล้วปัญญาไม่เกิดเลยเป็นอย่างนั้นดังนั้นทุกคนขอให้บำเพ็ญบา ร, รมีสิบประการนี้ให้เกิดมีขึ้นในตนของตนแล้วบุญกุศลมันก็จะเจริญรุ่งเรืองขึ้นและบาปทางหลายก็จะระ ง, งับดับไปความทุกข์ทางจิตใจก็เบาบางลง ดังแสดงมาขอจบโรงเพียงเท่านี้